มีผู้หญิงคนหนึ่งก็มีฐานะพอสมควรทุกวันเธอก็จะขับรถไปทำงานเป็นร้านขายยาเลยทางจากที่ทำงานไปร้านขายยาก็ไม่ไกลมากนะสองสามกิโลต่อมาเธอก็คิดว่า เลือกานแค่นี้นะขี่จกักรยานไปทำงานก็ได้มันทั้งประหยัดน้ำมันลดมลภาวะแล้วก็ลดความแออัดของท้องถนนแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะก็ขี่ไปทำงานขี่ไปสักพักใหญ่นะก็นานหลายวัน ก็ได้ยินเสียงคนมาพูดทำนองว่านะเธอจนนะไม่มีไม่มีรถขับหรือไงต้องขี่จั ก, กรยานเธอก็รู้สึกหวั่นไหวนะไม่อยากขับรถจั ก, กรยานไปทำงานแล้วเพราะว่ามีคนเขานินทาเขามองว่าเธอจนนะ ก็มามาเล่าให้อัตมาฟังนะอัตมาก็บอกว่าจะไปทุกใจทําไมนะเขาไม่ได้ด่าว่าหรือกล่าวหาว่าเราโกงเราเคอร์รัปชันเราเป็นคนแค่ตัวตถ้าเขาไหวเงนินเสร็จค่อยน่าคิดหน่อยแต่นี่เขาพูดเพียงแคาว่าเราจนนะ มันไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะจนจริงๆอที่จริงก็น่าจะภูมิใจด้วยซ้ํำนะว่าเราได้เจริญรอยตามนะครูบาอาจารย์อย่างพระทั้งหลายเนะที่น่าคารบนับถือทั้งก็จนงนั้นแหละน่าจะภูมิใจด้วยซ้ำนะนะเถอก็ก็ได้คิดนะแล้วก็ก็ยังคงขี่ จักรยานไปทำงานเหมือนเดิมนะอันนี้มันก็สะท้อนนะว่าค่านิยมของคนไทยเรารู้สึกอายนะถ้าเกิดว่ามีคนเขาหาว่าเราจนถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะก็จะถูกค่อนแค้นนะที่จริงเรื่องแบบนี้นี่ในสังคมอย่าง ประเทศอเมริกาหรือว่ายุโรปนี่จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคือเขาจะไม่ค่อนแค้ใครว่าจนไอคนที่แสดงความมั่งมีอวดมั่งอวดมีเนี่ยกลับถูกค่อนแค่มากกว่านะเพราะว่าคนก็อาจจะสงสัย่าไปรวยจากที่ไหนมาในยุโรปนี่คนนิยมขับรถคันเล็ก ถ้าใครขับคันใหญ่ๆขับเบ้นนี่ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นพวกมาเฟียหรือเปล่านะเป็นพวกแกงกะแหลกสักอย่างหรือเปล่านะถึงร่ารวยอย่างนั้นนะวรวยนี่กลับไม่ดีนะกลับถูกมองว่าไปในทางไม่ดีนแต่ถ้าอยู่ขับรถคันเล็กๆอยู่แบบง่ายๆสมัฒนานี่เขาไม่มีคำค่อนแคะแล้วกลับเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้า อาตอมาไปเยี่ยมเพื่อนที่บริษัทสํานักงานใหญ่ของจีเอมในอเมริกาที่ดีทรอยเพื่อนนี่เป็นคนไทยแล้วก็จบปริญญาเอกที่นั่นแล้วก็ตอนหลังก็ไปเป็นวิศวกรอาวุโสที่บริษัทไปเยี่ยมเขาเมื่อรักสิบกว่าปีก่อนตอนสายๆนะพอถึงเวลาเพลนก็ก็มา พาไปฉันที่ลงอาหารแล้วเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยเขาไม่มาฉันไม่มากินอาหารที่ลงอาหารหรอกเพราะว่าเขาเอาข้าวเอาข้าวมาจากบ้านนะใส่กล่องแล้วก็มากินในที่ทํางานแล้วก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่เอาข้าวมากินที่ทํางานนะเพื่อนเขาเนีซึ่งก็ล้วนแต่เป็นวิศวกรที่มีเงินเดือนเยอะ รวมนั่งหัวหน้าด้วยนะหัวหน้ า, ผานแผนกก็เอาข้าวจากบ้านมากินตอนเที่ยงนานๆเนี่ยถึงจะไปกินไปซื้อกินนะที่โรงอาหารแล้วก็ทำมันเป็นปกติไม่รู้สึกว่าอับหน้าอับอายเลยถ้าเป็นคนไทยทำแบบนี้เนี่ยแถวสนัก ง, งานในสีลมสุขุมวิทนะก็คนถูกค่อนแค้ว่าจนหรือไงนะถึงต้อง เอาข้าวมากินนะในที่ทำงานทำไมไม่ไปซื้อข้าวกินนะอนี่ก็เป็นค่านิยมที่แตกต่างกันเลยนะก็ถือว่าการเอาข้าวมากินที่ทำงานนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเรื่องที่น่าน่าชื่นชมด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นการแสดงถึงความประหยัดนะไอความอวดมัง่งอวดมีนี่มันเพิ่งมามี มาเป็นค่านิยมในเมืองไทยก็ระยะหลังนี่เองนะแต่ก่อนคนไทยก็ไม่ได้อวดมัง่งอวดมีเท่าไหร่พราก็ถือคุณสมบัติเรื่องความสมรถะความเรียบง่ายแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไปนิยมนะความอวดมัง่งอวดมีกันลับพระก็เป็นพลอยเป็นอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวนี้พระนี่ถ้าพระไม่มีถ้าพระอยู่กันแบบจนๆเรียบง่ายนี่ บางทีก็ถูกว่านะหรือว่าถ้าเป็นระดับพระครูระดับเจ้าคุณแล้วขับปิกอัพไปขับปิกอัพไปประชุมนี่เขาเขาว่าเลยนะเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้เขาเขาดูกันที่รถยนต์ด้วยนะยิ่งเป็นระดับเจ้าคุณแล้วนี่แม้แต่ขับโตโยตานี่ก็าเขาก็มองเขาก็เหละนะยิ่งเป็นระดับชั้นเทพชั้นธรรมนี่มันต้องเบนบีเอ็มไปเลยถ้าเป็นกันถึงขนาดนั้นแล้วนะ อันนี้ก็เพราะว่าผ้าเรานี่ตามญาติโยมที่จริงการอยู่ให้เรียบง่ายนี่เป็นความดีนะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้คนเราชักจะไม่ค่อยมั่นใจในการทำคุณมีคุณธรรมข้อ น, นี้แล้วอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเรียบง่ายนะเรื่องความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้คนก็ไม่ค่อยมั่นใจในการทำความดีแล้ว มีเด็กคนหนึ่งนะั้นก็ตามเชา้ชาๆช้าเนี่ยโดยพระวันเสาร์ที่ก็จะตามพระไปบินธร บ, บาตเขาไปเองนะเด็กพระไม่ได้ชวน mm. ก็ไปเป็นเด็กวัดหิ้วของที่ผูหลงนี่คนใส่บาทเยอะมากนะทั้งบาทไม่พอนะต้องเอาย่ามไปด้วยสองสามสองสามใบนะกว่าจะกลับถึงวันนี้ก็เหนื่อยกันเลย บางคนก็บางทีก็ถวายแตงโมลูกหนึ่งกล้วยเครือหนึ่งไม่ใช่แค่หวีหนึงนะเครือหนึ่งเลยนะอะ่บางทีก็มีเด็กอายุสิบแปดสิบสองก็เดินตามก็ทําอยู่หลายวันวันหลังก็หายไปก็ถามว่าทําไมบอกเพื่อนล้อนะเพื่อนล้อเขาอายนะที่มา เป็นเด็กวัดนะช่วยช่วยพระอันนี้มันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยคือว่าเวลาทำความดีก็กลัวไม่มั่นใจนะเรียกว่าแต่เวลาทำชั่วนี่กล้ามากนะกล้าทำชัว่วกลัวทำดนะีอันนี้เป็นลักษณะที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยเดีย๋ยวนี้หลายแห่งนี่ถ้าจะซื้อสัจสุจริตนี่ไม่กล้านะ แต่ว่าถ้าจะโกงคารับชันนี่ไม่กลัวเลยนะโ ก, โกงคารับชันกันเกระเริกมมากแต่พอจะซื้อสูตรเทนี้กลัวกลัวคนว่าตามรถไฟฟ้านี่หลายคนไม่กล้าลุกให้กับคนแก่หรือว่าผู้หญิงท้องนั่งนะกลัวกลัวเขาว่านะ นะตอนนี้ลักษณะที่เรียกว่ากล้าทําชั่วกลัวทําดีนี่มันก็กําลังเป็นเป็นขั้นนิยมใหม่นะซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะซึ่งเป็นถ้าดทำนี้เลยไปคนก็จะไม่มั่นใจในการทําความดีไม่มั่นใจไม่มั่นใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสื่อสัตว์สุจริตหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายสมร t h นะีแต่ว่าจะทําตรงกันข้ามนะเพราะว่าสังคมมันกำลังโน้มเอียงไปอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้อง ระมัดระวังแล้วก็เตือนตัวเองด้วยว่าอย่าเป็นอย่างนั้นไนพะให้กล้าทำชั่วกลัวทำดีอเตรียมรับพร